สอนกันแบบละเอียดละเอียดไปตามขั้นตอนไปเรื่อยๆง่ายใจเย็นเริ so ่มสมาธิก็คือต้องใจเย็นแล้วก็เค่อยๆรำลึเแต่การณ์ไปเรื่อยๆมาจากว่าเรามีอิทธิบาทอยู่ในตัวพรมีอิทธิบาทแล้วก็มีการวางพอวางแล้วทีนี้ก็มาถึงการบริกรรมก็เหมือนกันกับการระดมคน ในการบริการเนี่ยเหมือนกับว่ามีการระดมคนแล้วเป็นอย่างเช่นกำลังจะระดมทั่วทหารเนื่ยไปทำการรบหรือว่ามีการระดมแอดกาลังคนงานเพื่อจะแอดช่วยกันลากจูงในสิ่งที่มันใหญ่และมันหนักเพราะว่าการบริการมนั้นมีการบริการลงไปเฉพาะ อย่างที่เราไม่คุือว่าอโมทังโกหรือนาเหลือนาเหลือทะเหลือทะเหรือสัมมาอรหังแต่เรานึกอันใดอันหนึ่งได้เราไม่ยืนยันแต่ว่าถ้าจจะนึกอันใดก็ต้องนึกอันนั้นทีนี้เรามาสมมติไปทําการรบกบค้าศึกมีค่าศึกมีตั้งหมื่นตั้งแสน เราไปคนเดียวมันก็ไม่ได้จําเป็นล็อกตั้งร่ำมเป็นหมืน่นเป็นแสนอย่างอารมณ์ของเราเนี่ยก็เป็นหมืน่นเป็นแสนอาจจะมากกว่าหมืน่นกว่าแสนอันนี้ก็คือไพ่พลของอารมณ์เนี่ยไพ่พลของอารมณ์มีมากเราจะเปยนึกคิดโพคําเดียวแล้วก็เลิกไปนั่นก็คิดไม่ได้จําเป็นต้องรง่ำมคุดโพมาเนี่ย ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นในในเรื่องของการทําสมาธิเนี่ยการบริกรรมจึงถือว่าเป็นหลักสําคัญอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าก า, ารปฏิกรรมนั้นจะเข้าสู่ฌานการที่จะเข้าสู่ฌานได้นั้นให้ผ่านบริกรรมไปไม่ได้แต่ต้องผ่านที่นี่เสียก่อนเอะจะนึกทีเดียวเข้าฌานเลยไม่ได้ มันต้องผ่านเรียกว่าฐานต้นทางแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะสำเร็จเป็นพระอรหัตอรหันไปแล้วเขาก็ยังพึ่งผส ม, มผ่างไม่ได้หรือดำเนินสิงใดสิ่งหนึ่งที่จะให้บังเกิดผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่ว่าระดมระดมนั้นหมายถึงการนึกพุทโธการนึกพุทโธเนี่ยเราต้อง คิดว่านาทีหนึ่งเยอะนะนาทีหนึ่งเนี่ยห้านัาทีก็เยอะมากกว่านั่นก็เยอะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ากําลังท่าศึกกับกาลังของเรานี่ยจะชนะกันได้เมื่อเวลาที่เรานั่งสมาธิไปนั่นแค่สู้ไม่ได้นะเพราะลมมันเยอะนึกเอานึกเอ า, เ, อาเราก็แพ้บ้างชนะบ้าง อย่างเนี้ยแต่เมื่อใดที่ความนึกคิดต่างๆหมดมันเหลือแต่ทุกพลทนังเมื่อ น, นั้นคือใช้ชนะแปลว่าการแพ้นั้นนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเสียอะไรมาก เ, าเสียไม่มากแต่ว่าถ้าหาพว่เราชนะเราก็ได้มากอันนี้ก็ืเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นใครจะไปดูถูกธรรรกรรมย่อมไม่ได้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อ ทำมาถึงปัจจุบันหลวงพ่อก็ยังไม่เคยดูถือธรรมารุกรรมจำเป็นส้องใช้เป็นเครื่องมีอนี้ในการเริ่มต้นของสมาธิคือธรรมารุกรรมหมายถึงทำหนึ่งอยู่ในใจเรียกว่าธรรมารุกรรมอาจจะนึทคิโธธัมโมสังโฆสมาธิแห่งอมตะอะไรไม่ต้องออกเสียงนึกอยู่ในใจเท่านั้นจะเรียกว่าปริกรรม แต่ถ้านึกออกเสียงแล้วไม่ใช่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธเสียงดังสนั่นอันนี้ไม่ใช่ทำบริกรรมเป็นันร้องหรือจะเป็นคำพูดคำพูดออกมาถ้าหากว่าเป็นคำพูดออกมาแล้วเนี่ยจะไม่เกิดเรื่องของสมาธิขึ้นแต่จะเป็นเพียงแต่ว่าเป็นวิบิกรรมไปเพราะว่าการทำสมาธินั้นเป็นมนโนกรรมหโนกรรมคือใจ ใจของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ผลที่จะต้องบริกรรมเพื่อบุคคลทุกคนจะต้องมีอารมณ์อารมณ์หมายถึงความคิดให้มีที่สิ่งสุดความคิดที่เองที่ทําให้มนุษย์ต้องเกิดความสุขแล้วก็ความทุกข์ถ้าหากคนไม่นึม่คิดถือว่าไม่ใช่คนแล้วเป็นภาพศพดังนั้นความนึกคิดจึงเป็นความหมายของมนุษย์ว่าเรายังมีชีวิตเพราะฉะนั้น ความนึกความชุดหรือเรียกว่าอารมณ์นี่เองที่เป็นตัวก่อให้เกิดโลกตาทีวัดอย่างที่เราพากันเห็นกันอยู่ที่วันนี้มนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากความนึกคิดถ้าการนึกคิดมันก็มีความนึกคุดทิตดานกลายเป็นปัญญากลายเป็นอะไรอะไ ร, ะไรต่างๆมื่อเกิดจากอารมณ์เท่านั้นทิศการหลากหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ของคนทั้งสิ้น เมื่อรวบรวมอารมณ์เข้ามาเก็บสะสมพัฒนาอารมณ์เหล่านี้กลายเป็นวัตถุและนามธรรมหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคืออารมณ์ที่เป็นนามธรรมแล้วอารมณ์ที่เป็นนามธรรมก็สร้างรูปธรรมขึ้นเกิดเป็นมนุษย์ต่อเนื่องกันมาคือรูปธรรมจากอารมณ์นามธรรมกลายเป็นบ้านเพือนเป็นประเทศชาติเป็นถนนหนทาง ดูว่าเป็นสมัยศิวิไลโลกาทิวัดที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นมีของแปลกใหม่ๆนี่เกิดขึ้นจากอารมณ์เป็นนามธรรมทั้งสิ้นรับกลายออกมาเป็นรูปธรรมอย่างวิจิตรศิานใสเหวงบางคนว่าทําไมจึงหลงวัตถุอันเป็นรูปธรรมทําไมจึงงมงายอยู่ในวัตถุรูปธรรมทําไมจึงไม่เข้าสู่นามธรรม ส่้ควรหลงรูปประทับควรจะเอาสนมามาทำคนพูดอย่างนั้นคงไม่กลราบว่าอารมณ์ที่เป็นนามธรรมได้สร้างรูปประทับหากไม่มีรูปประทับแล้วนามธรรมจะเอาไปไว้ตรงไหนสมมติว่าร่างกายไม่มีมีแต่ใจงองไปก็ไม่มีแล้วหน้าตาก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีอะไรขนาดนี้อ น, นั้นก็เรียกว่าเหลือแต่วิญญาณ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ว่าหลงแต่รูปธรรมหลงแต่วัตถุไม่เอาด้านจิตใจไม่ความคิดน อ, อันนี้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าการที่จะเป็นรูปธรรมหรือการที่เราจะมีการประสานงานกันจนกระทั่งเป็นเครื่องเป็นราวขึ้นมานั้นอาศัยอารมณ์ แปลว่าอารมณ์นั้นมีทั้งการสร้างสรรค์และมีทั้งการทําลายอารมณ์ไม่ได้มีการสร้างสรรค์อย่างเดียวอารมณ์ยังมีการทําลายด้วยเช่นอย่างอารมณ์สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสิ่งสารพัดน่าดูน่าชมแต่ในขณะเดียวกันอารมณ์ก็สร้างปืนขึ้นมา อารมณ์ก็สร้างมีดดาบขึ้นมาอารมณ์ก็สร้างลูกระเบิดขึ้นมานจนกระทั่งอารมณ์สร้างเป็นรูกระเบิดมีเคลียอย่างนีเป็นก้นทั้งนี้เพราะอะไรอารมณ์มนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เพราะอารมณ์มีทั้งคุณทั้งโทษอารมณ์ก็ควรยุยงส่งเสริมให้ร็พรา้าฟันกันอารมณ์สร้างสรรสามสีดีพร้อม อยู่ด้วยกันแนะนำทางออกที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตมีประโยชน์ก็มีอารมณ์สร้างพระางมนุษยที่จะเบิดทันไล่ล่าทุกสิงทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาก็มีความเป็นเช่นนี้ก็เ พ, เพราะมีสิ่งหนึ่งที่ท่านทุกคนมีประจาอยู่ในใจเรียกว่าชิเลศในที่นี้เราไม่พูดจิเลตเพราะว่าพูดจิเลตแล้วดูมันหยาบไปหน่อย ก็เลยพูดว่าจุดดําเอาก็เล่ากันคนเรล่านี้มันจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดดําจุดดําที่มีอยู่ในใจของมนุษย์จุดดํานี้เองที่เป็นต้นเหตของอารมณ์กดดันให้อารมณ์สร้างสรรค์และทําลายอารมณ์มันยิ่งอยากก็จะต่อกรนโลกนี้ให้รุ่มร้อนไม่มีที่สุดตรงนี้แหละมาถึงจุดที่เป็นต้นเหตสําคัญ ที่กล่าวกันในเรื่องของการทำสมาธิในเรื่อความนึกคิดแทนทีนเรียกว่าอารมณ์มากขึ้นเราก็เรียกว่าจิตพุ่งพลานควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ความพุ่งพลาดนี้มี อ, อยู่เป็นประจำจนเกิดทุบเป็นบางคราวและเกิดสุกเป็นบางครงั้งเราเรียกว่าอารมณ์ระเบิดหมายถึงทุบหนักอย่างมีเป็นต้นเพราะฉะนั้นสมาธิ จึนเป็นเครื่องที่จะบรรเทาหรือว่าแก้ไขจุดดำมือดังนั้นเริ่มต้นสมาธิถึงได้มีการควบคุมอารมณ์โดยการบริกรรมให้หยุดอารมณ์ทั้งหมดให้เหลือไว้เพียงอารมณ์เดียวคือพุทโธถ้าแรกขั้นแรกนั้นเจยหยุดเลยทีเดียวย่อมไม่ได้จึงต้องอาศัยการบั ง, งคับจิตตนเองให้เนิบพุทโธ อย่างไรก็ตามเราจะพยายามบึงจิตให้มาในชื่อพ่ทโธเ่เดี๋ยวเรวจิตก็มีอารมณ์เปลือยนอื่นเข้ามาแทรกจนได้การจะทำาช่นนี้ถือเป็นเรื่องต้นของการทำสมาธิเพื่อให้อารมณ์นั้นหยุดมีอารมณ์อันเดียวคือพิทโธทั้งนี้แค่หาทางให้จิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินั้นคือความเป็นหนึ่ง ความเป็นหนึ่งของจิตนี้แทงเป็นวัตถุประสงค์เพราะความเป็นหนึ่งเหรือที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธินั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะเสริมพลังจิตเพราะการพัฒนาจิตสูงจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าพลังจิตตรำมันก็ต้องเคยเกิดเป็นจัตเจริญสารแต่ว่าเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตดำเป็นเดชแล้วถ้าทำให้ไม่สามารถ จะควอบคุมจิตใจของคนได้ก็เลยไปทำสิ่งที่ไม่ดีเชื่อย่างนี้เป็นก้อนเพราะฉะนั้นเรื่องของการทําสมาธิเราจะต้องยกคนหมายความว่าจะดมคนเพื่อชื่อจะต่อสู้กับอารมณ์เป็นหมื่นเป็นแสนเมื่อเราต่อสู้ชนะเราได้ผลเมื่อเราต่อสู้แพ้เสียแพ้ถึงยังไงก็ตามโอกาสที่เราชนะ มันก <krit> ็ยังมีอยู่เหมือนกันในหมัยที่พระบางองค์เราคิดไปถึงว่าสมัยก่อนก่อนโน้นบางทีก่อนแกที่จะมาบวชเป็นพระก็บอกว่าทุกอย่างเขาละได้แล้วแต่พอมาบวชเป็นพระเข้าไอ้จิตดำมันตามเข้ามาด้วยเพราะว่าจิตดำนั้นไม่ละเว้นเป็นพระเป็นใสก็ได้ มันเข้าไปอยู่ได้ทั้งนั้นมันไม่ได้เช น, น, นตัวรถขาบรรดาสักด์นไม่ได้เชนตัวเงินทงนองเข้าขอ ง, ของไม่ได้เชนตัวอะไรทั้งสิน้นเนี่ยเป็นเช่นนั้นมันก็ตามพอเวลาบวชมาแล้วก็ตามมาอยู่ที่ทางรถไฟพระเดรีมีคนคนห น, นึ่งเขาบอกว่าผมเบื่อจนทีแล้วบอก็เบือบอบอบ่ออะไรเบือ่อโลกโลกไหนถึงอะไรเนี่ยเขาบอกว่า โลกก็คือรูปบั้งภรรยาบั้งน้ทองบั้งอ้าวแ้วเบื่อแล้วจะทำยังไงเบื่อแล้วผมขอบวชหลวงพ่อก็ไม่ให้บวชบอกว่าเนี่ยมันเบื่อเพราะว่ามันเบื่อช่ราวเท่านั้นลมันไม่เบื่อแล้วเบื่อจริงจฮะหลวงพ่อจริงขคไหนบอก่าเบื่อจริงจงฮะเบื่อจริงรเพราะว่ากันะเบื่อแล้วจะเอาเท่าไหร่เบ่อท่าไ พ่ อ, อ ม, ing, มันตลอดชีวิตไม่สึกแม่หลวงพ่อเคยเลยคนไม่ไหวบวชแม่ยังไม่ทันถึงสามวันพ่ายามค่อยๆมาจะสยี่จะบวชเท่าไหร่เนี่ยบวชไม่สุดอดบวชไม่สุดก็แล้วไปเดี๋ยวฉันจะไปหาใหม่ถ้าใครอย่างนั้นนะให้แกหาใหม่ถ้าใครจะบวชแล้วจะมายุ่งกับฉันทาไมอ่ะเขาเสียงกันหลวงพ่อก็เาอไปยิน เราจำเป็นไม่ได้ยินเรานาสน้าวขนมาไม่บอกว่าจะยังไงเอ้สืายเป t นไรไม่ใช่เราเรกว่าน้มุกันแล้วกัน่บอกว่านะหลวงพ่อเรื่องอะไรอ่ะเอ๊ะหลวงพ่อเคยบอกเงื่อนไได้บอกว่าไงบอกวอย่าใช้หาใหม่ เพิ่มวางได้เดล้แกบวชได้เลยแกว่าเลกแล้วเดี๋ยวแล้วพ อ, อเวลาที่ไปประเสบปัญหาคืออารมณ์มันพัดผมขม อ, อเยอะมากแต่ทีนี้แทนที่จะไปมองธรรมะเห็นชัดไม่ใช่อย่างนั้นไปมองเห็นอะไรไม่รู้ชัดเท่าที่มีสุบ <laughs> <laughs> ไม่ว่าแล้วปฏิกรรมตรงนี้แหละมันทแท้เพราะฉะนั้นอ่ะอารมณ์ชื่อให้บริกรรมพุทโธพุทโธอะไรอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเราพูดกันเล่นๆเออพูดกันเป็นหลักการพูดกันอย่างจริงจังว่าเมื่อเราเริ่มต้นเราก็จะต้องมีคำบริกรรมเพื่อพู่กัให้เป็นหลักการเอาไว้ถึงแม้ว่าเราเคยแล้ว เราทำงานแล้วเราจะไปเริ่มต้นด้วยการเฉยๆไม่ได้ไมันต้องเริ่มต้นด้วยคำบริกรรมทีนี้นมาคิดพิจารณาคือพิจารณาใน ข, ข้อข้อที่ได้ระดับไวขั้นสุดท้ายว่าการบริกรรมคือนึกอยู่คําเดียวในใจนึกว่าพุทโธวิธธรมโมสังโฆหรือนามัคคะหรือสังมาอาราหัง เยยอมได้เท่านั้นแต่เมื่อ น, นึกอันใดก็ต้องให้นึกอันนั้นอันนี้เป็นคำเตือนที่เราจะต้องเตือนตัวเราเองด้วยและเราจะต้องเตือนคนอื่นด้วยว่าเดี๋ยวคนนั้นบอกอย่งนั้นดีจะเอาอแล้วบอกอย่างนี้ดีจะเอาอีกแล้วถ้าอันไหนนึกแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําจิตของเราให้สงบให้นึกเพียรอันนั้นไม่มีการสิด บางคนบอกว่าพุทธโอดีกว่าสัมมาอรหังบางคนก็ว่าสัมมาอรหังดีกว่าพุทธโอ ท, ทุกอย่างเนี่ยน่า้ะมีดีมากไปกว่ากาันก็เหมือนการเพราะว่าเป็นธรรมบริกรรมว้าที่สองการบริกรรมเป็นเพียงเบี่ยง่อมเท่านั้นเพราะเมื่อจิตทํานานแล้วทำบริกรรมก็ไม่ส่งท้ายทำบริกรรมเปรียบเหมือ น, นกันชักเด็กที่ยังช่วยเจอเองไม่ได้ ต้องมีผู้ใหญ่คอยผู้คุมดูแลดังนั้นคำบริกรรมจึงมีความหมายเพียงเบื้องตอนบริกรรมอันใดก็ได้เช่นดเดียวกับคนโตแล้วไม่ต้องอุ้มถึงอุ้มก็ไม่ไหวแต่ทีนี้ไอ้กองเนี่ยที่ปลูดตอาไว้ตรง น, ววรงนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าคำ ท, ที่ว่าเนี่อเกิดคชานชำนานแล้วไม่ต้องใช้คำบริกรรมหมายถึงว่า เวลาที่จิตนั้นเข้าสู่คือหมายความว่าเข้าสู่ความสงบมันจะมีระยะหนึ่งพอไปถึงตรงนั้นแล้วไม่ต้องบริกรรมภาพต้องการให้จิตเอียดยังไงก็ตามถึงจะมีความํำนานแค่ไหนทำบริกรรมมาเนี่ยแต่จะต้องมีการเริม่มต้องใช้ถ้าหากว่าเราไม่ใช่เรากำหนดจิตไปแล้วก็รวมเลยอย่างนั้นนะ่ะเรียกว่าเราทำ และมันข้ามขัน้นตอนไปบริกรรมนั้นเป็นคำชื่อเราจะต้องใช้ทุกพลังของการพิจิตติมันจะเข้าเพราะว่าการพิจิตนั้นจะเข้าไปถูกรวังก็ดีหรือจิตมันจะรวมไปก็ดีเนี่ยมันต้องขึ้นต้นเพราะอะไรเพราะว่าในแต่และวันละวันเนี่ยไม่ว่าเช้าไม่ว่ากลางวันไม่ว่าเย็นหรือไม่ว่าอะไรเนี่ยเราจะมีอารมณ์ที่เราจะต้องพิจิ เราจะต้องากามเราจะต้องอะไรมันมีเยอะเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องใช้คำบริกรรมถ้าคือสามอย่างไรก็ตามก็เป็นการจําจเป็นเพราะอารมณ์นับร้อยนับพันนับหมืน่นแต่ละวันจําเป็นจะต้องให้เหลืออารมณ์อันเดียวให้ได้ก็คือลบอารมณ์อื่นให้มีเพียงคำบริกรรมอันเดียวหมายความว่าลบอารมณ์ที่ชุ่มซ่านนับพันนับหมื่นให้เหลืออันเดียว เมื่อจะคือนเนี่ยเลยอธิบายข้อสองกลายมาเป็นข้อสามแล้วเมื่อข้อสอแน่าจะทความหยุดนิ่งโดยไม่บริกรรมก็ย่อมได้ถือกำหนดว่างเราหลับตาจะพ บ, บความไม่มีอะไรเราสามารถบังคับจุดให้อยู่ในความว่างเปล่าระยะหนึ่งๆประมาณห้านาทีหรือกว่านั้นข้อ น, นี้ถือว่าเป็นสมาธิ ถ้าทำไปเรื่อยๆก็มีผลแน่นอนคือบางครั้งนั้น่ะเราอาจจะไม่ได้ว่าพุโทโธแต่ว่าเรากาหนดความว่างอันนี้จะเป็นบางครั้งบางคราวในขณะที่เราไม่ต้องการจะให้จิตนั้นลึกซึ้งลงไป ม, มากนักเอาแต่เพียงพอได้เราก็กาหนดความว่างเปล่าได้อันนี้ไม่ใช่ใช้ตลอดไปอย่างอย่างข้อยืดเนี่ย เป็นบางครั้งและบางคราวที่นี่ข้อห้า 5, ความหยุดนิ่งนั้นจะปรากฏชิ้นหนึ่งให้เราได้กำหนดคือการหายใจถ้าจิตติดจออยู่ในลมหายใจนี้เองทําให้เกิดความเป็นหนึ่งได้โดยธรรมชาติบางครั้งนั้นเราไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่ว่าเราดูแต่ลมหายใจจิตมันก็เลยนิ่งไปอย่างนี้เราปล่อยไปได้ แต่การที่เป็นเช่นนี้นั้นก็เหมือนกันกับข้อสี่คือเป็นเวลาที่เราจะเอาผลระยะสั้นข้อหกการเกื อ, เกอดเกล่อ ด, ดังเด็กอ่อนทั้งกล่าวแล้วจนไหนเราพ่อพู่ผุดในเรื่องตอน้นคึงไม่ควรเห็นว่าคำบริกรรมคนนั้นผิดคนนี้ผิดคำนั้นถูกบ้างผิดบ้า ง, างเพราะทุกๆคำบริกรรม ก็ถือว่าเป็นความถูกทั้งหมดในข้อนนที่หกนี้เร า, เาพูดเอาไว้เพื่อให้เข้าใจว่าคำบริกรรมนั้นไม่ว่าคําไหนถ้าทําให้จิตของเราสงบได้หรือว่าคำบริกรรมนั้นใช้ได้ข้อที่เจ็ดการวางจิตขณะบริกรรมอาจจะอยู่ที่หน้าผากอยู่เฉพาะหน้าอยู่หน้าอกเบื้องซ้ายอยู่ที่สะดือ ด้วยการวางจิตขณะบริกรรมนี้ตามอัธยาศัยก็ควนจะให้ถูกกับความพอดูของแต่ละบุคคลในแท่นี้ควรมีคามเห็นว่าอย่างนั้นถูกหรืออย่างนี้ผิดอันนี้ก็เพื่อทีจะให้เข้าใจว่าเดี๋ยวว่าหน้าผากดูต่อท้องท้องดูต่อหน้าผากหรือว่าเขาออกเบิ่มงซ้ายดูต่อท้องหรือว่าพขาออกเบื้อง้ายดูตัวหน้าขาเส้นทุจริตเราไม่กำหนดว่า ที่ตรงไหนจะดีเสีกันแต่เมื่อเรากาหนดตรงไหนได้ตรงนั้นถือว่าถูกต้องครอบแปดสุดท้ายการวัดผลของคมบริกรรมเมื่อเราไม่คำบริกรรมจนจิตนิยงมากเราก็ลองกำหนดจิตให้เฉยโดยไม่คำบริกรรมปรากฏว่าจิตยังอ่อนต้องบริกรรมต่อไปคือไหมายควว่าเมื่อเราไม่พุโทโธพุทโธไปแล้วเนี่ย เราโดยความเข้าใจว่าจิตของเรานี่มันสงบแล้วเราก็เลยเลิกนึกจ้ะแต่ว่าเมื่อเลิกนึกแล้วความนึกจิตมันยังงาอยู่เราก็ต่องลัดมานึธรรมริกรรมใหม่แต่ถ้ากาหนดจิตให้เฉงให้นึกถึงธรรมริกรรมจิตก็ยังนิ่งได้หรือว่าจิตนี้ได้แส่เจอจิตนี้นั้นเกิดความแส่ขึ้นไแล้วเมื่อเราเนคธรรมริกรรมนาไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่นึก จิตมันจะตั้งเพื่อนได้ถือว่าจิตเปล่ยนขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องบริกรรมต่อไปก็กําหนดจิตตามเท่นั่นเพราะอารมณ์ที่มาเยืยอยวนจิตของเรานั้นมันลึกซึ้งนักแตก่ควรทดสอบอยู่เสมอถ้าเราได้รับการฝึกฝนพอสมควรแล้วเมื่อเราฝึกฝนใจเนี่ยไปเรื่อยๆอาการที่เราจะทดสอบตัวเราเองก็อยู่ที่ ทำบริกรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราหยุดทำบริกรรมได้จิดนั้นก็นิ่แสดงว่าพลังนั้นได้เพิ่มขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแบบนีน้แต่ถ้าหากว่าเราบริกรรมแล้วเราหยุดบริกรรมไม่ไหวมันก็ไม่ขึ้นแสดงว่าพลังจิตยังเพิ่มขึ้นไม่มากนะักอันนี้เป็นการทดสอบว่าพลังจิตของเรานั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างไรทีนี้ เ, นเรื่องของการบริกรรมนั้นยังมีอยู่อีกเยอะ ยังจะได้อธิบายกันต่อไปวันนี้ก็คงอธิบายเรื่องบริกรรมว่าเพียงเท่านี้การให้มีการสอบปัญหาส่นนั้นนะคิดว่ากาศึกษาอาจจะตั้งการอธิบายของหลวงพ่อไม่ถนัดนักอาจจะไม่เข้าใจในบางตอนหรื่อหรืออาจจะนั่งหลับตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามปัญหา แล้วก็ประกอบพวกพวนี้โดยไม่ต้องสี่ยงกละก็หลอกออกอไปเป็นคำตอบอธิบายเป็นหลักการมากซะหน่อยยังไงจะทำหรือว่าผู้สอนจะทำอกกันใจอยากจะสอนให้ถึง อ, อกถึงใจผู้ฟังก็อยากจะฟังให้ถึงอกถึงใจนี่ก็คงจะว่ารางวันก็อร่อยรางวันก็จะคิดไปไหนคงไม่เป็นไร ก็ตอเกิดากการถามคำถามการพยายามใชตอจเ่อมเป็นอัตโมัติเป็นหลุดลอกมีัญหาคือตอนนงมาที่เรียนที่ตอเนาะคืารู้ว่าตนนั่งไปสพักมีประบิด็ยังไม่ใช่จริงแต่เขอชารู้กว่ามันมันตัวเป็นทองคลองที่แบช่วงน่ขึ้นมาถึงคองมีข้อข้อเป็นพอาะอะไรคะ มั น, นจะเกิดวัตุวมวัตลักษณะจุดวมที่จะให้ผวังมันจะมีลักษณะตัวยาวบ้งตัวทองบ้างตัวเขียวบ้างลักษณะีคือลักษณะที่จิดละอารมณ์่ันก็ละลารมณันได้แคพร้อมแล้ที่จะสงบเข้าสู่ผวังเราจการหลมืนี้จะอจะจุดพุ่จะเกิดบาคนจะไปกระทบพ อาจารย์ครับนอนกลุ่มอาจารย์ครับขอรัตนาอาจารย์ช่วยเล่าประสักรณ์การในการทำสมาธิครั้งแรกของทนาอาจารย์เลยครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกศิษย์ครับครั้งแรกครั้งสองเป็นสมาธิอยู่ไม่เป็นสมวันนั้นมีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเราก็อายุประมาณสิบสามเพื่อนผู้หญิงเธอก็ อายุนานประมาณยี่สิบสามกระทำเช่นกันมานานใค้สักอาเมื่อผีไม่ออกใครใสัไปหัดต่อสวดมนต์กับพระอาจารย์ถึงมาวันหนึ่งเขาก็มาชวนให้ไปส่งเขาเพราะว่าเขากลัวผีใครทำเยียมไม่ได้ดไอ้ไราตรีช่วยก็เลยไปเราก็กลัวผีเหมือนกันพอไปผ่งเขาก็กลับทำเดียวไม่ได้ เะไรจำเป็ต้องอยู่กับเขาเราอยู่กับใ้รเราเราก็ไม่เคยเขาหากว่าเขาจะกลับนี่ตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็กว่าเราโคมแย่นั่งอยู่ต่อหน้าพระอาจารย์คงมาก็ับพวกับไม่ได้เสียใจเสียใจเราก็นึ้อยู่คนเดียวะม่นาอิจมน่าอิแฉาไมาอิจฉาไมนาอิแฉาไมนาอิจมาอิจฉาไมอ ทัดตัวเหตุนั้นหายไปไหนนึไอ้คำบมนเนียตัวของเรานี่เดินออกจากร่างออกไปยืนอยู่ในที่แห่งนีน้ยืนลมพัดเข้ามาพอลมพัดเข้ามานั้นลมนั้นก็เวยิ้มเบาๆเอกชวนว่าไอา้ลมเบาๆอย่างนี้จะขึ้นได้อย่างไรมัจนจะท่ง เ, เ, เขาเกดงนเก็ดเเราก็กลับมาเริ่มกลับมาเห็นร่างเรานั่งอยู่แค่นาจะเข้า d ่างเราได้อย่างไ พับเดียรู้เอาจดเงินกับอดีจดเสรเขาก็จะลากลับถมงพ่อเลยถึงขอวลานักถงขถามอาจารย์กลัวก็ัวเพราะผมมันองนี้มันอากรเกิดขึ้นอาจารทักลัมาทั้งเลยบอว่าเอ้วิธียงยังเป็นยังไงนะยังไได้สอนภาวนา้อคนละถ้าคุณเนคนอย่างนี้ก็ทาสิตใจน่จะได้ตั้งแต่วนั้นมาในจิตใจมันเปลี่ยนแปหมด ก็เลยจะนั่งภาวนาทุกคนจะทำแบบนี้มี่คือเกิดขึ้นครั้งแรกพอไปขอเพลินเพรินมาวนาดีาว่าทำไมได้ปวดขาข้างซ้ายคือน้าข้างขวาขาข้างขวาคนจะทับขาข้างซ้ า, ายไว้นอนโดยไปพออีกห้านาทีจะหมดเวลาเลยจะปวดทุกครั้งเลยนี่สิจก็ไม่ทราบว่าจะทายังไงก็เลยปกตีแล้วจะกาหน ด, ดจุดไว้ตรงหนื้อ่า อย่งที่พระอาจารย์บอกไว้ก็เลยลองลองกําหนดจิตไปตรงที่มันปวดและปบอกฏว่าความปวดนั้นก็หายคปแต่นี้มีบางคนบอกว่าไม่ควรให้ทำเช่นนั้นเพราะว่าทําจะทําให้พลังของพลังจิตของเราเนี่ยลดน้อยลงไปอยา่างทราบว่าที่จิตทํทำนั้นจิตต้องหรือว่าทําไม่ได้ทำอย่างนั้นต้องแล้วความจริงคือ ในขณะ็ี่ขาดเรื่องทุกขานั่นก็ไม่ได้ลงไปแบบที่เรียกว่าขาดตาเดิมแต่พลังจิตมันเข้าไปถึงทําให้หายนั่นไม่ใช่นั่นไม่ถูกถือว่าต้องเพราะชทุกเททุกข์จนนิ่งจัดแม่อารทอาจารย์นะคะอิกทีทุกขามี่าคือตอนที่เรานั่งสมาธินี่ค่ะเอ่อทั้งขณะเดินด้วยแล้วก็นั่งด้วยเนี่ย เวลาที่เราเดินไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าทันมืนเรียนเหวียงแล้วก็สุขก็จะเหนดว่ า, าไม่มืนไม่เรียนมันก็จะหายไปแต่พอมานั่งอีกก็จะมีอาการเช่นนี้อีกนี่ทราบว่าเป็นทพาะะอะไรคะนี่การการบินตอนเบี้ยนอเนนี้มันเป็นเพราะหนัะของางบริการ แลอจสะบริการบริการบริการเขาอะไรอย่างนี้ม <c correlation> ันก็จะมีผลเพราะว่ามันไม่ถู้มกับที่เพราฉะนั้นหน่วยบริการเนี้าไม่บริกรจุดเด็สุด้ายสุดปลายส่ใจ่ที่าว่าจะขาดอะไรก็จะขาอเราะว่าบริการนียมันต้อเกิดประโยชน์กนไปอะไรอยานี้ันนี้เป็นลักษณะเป็นอย่างนั้น อ็ไปที่เสถนเพียนกันต่อม่แล้วจะทำอะไรติดนั่งสมาธิชั่งแรกติดใจตั้งใจทำสมาธิโดยการหายใจเข้าออกรายๆแล้วก็แล้วก็เลกถึงนี่ลมหายใจตามามลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ผด้าหมคออันนี้ก็เมื่อทาอย่างนั้นมันเกิดการสบายเลย ก็เป็นการผต้องหรือว่าอะไรเนี่มันต้องต้องต้องบัด อ, อันนี้มันต้องอยู่ทุกตัวทุกคนให้เข้าออกให้สบายแล้วแล้วถึงถึงจะไม่พุทโธตามลมหายใจที่เข้าออกแต่ตอนแรกพุทโธไปไปอ่าไม่ถึงพุทโธก่อนแล้วต้องคัดลมหายใจให้เข้าออกแล้วมันจะรู้สึกถึงสิ่างนี้ถ้าหากว่า เราไม we ha? right ่ต้องไปเก่องก็ลมหายใจไมนิ a ิตโผลลมหายใจจะเป็นยังไงกดแล้วก็่เนี่ย้ะใช้ได้ถ้าเราไปกังวลในลมหายใจมันอาจจะกลายเป็นสอารมณ์แตถ้าไม่เกีก็ลมหายใจเป็นนิสิโผลมหายใจจะเป็นยงไห้คือต้องให้หายใจให้การสบายแล้วถึงนิสิตโผล่ก็ใช่หายใจการสบายแล้วนิสิตโผล่ไดไม่เป็นไร อันนี้การต้นก็เป็นอย่างเนี้ยเหมือนกันก็เลาเขียนมันหรือทงแรกเอาหัวขึ้นเอาปูนขึ้นเอาหัวลงอรไจะ็สรดแล้วแต่ใส่ใส่ใส่พอทานางว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาอะไรเขียนปับก็เป็นตัวเลยถ้าใส่เส่เช่นขินพระแรงรักเุ็นธรรมสาธุไม่ทราบท่านพระอาจารย์ผิดอยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ยอดเวลาสิบขั้น ที่นีเดินเป็นคนนีน่ที่รับความร้อนมากเลยค่ะร้อนอยังไมันร้อนแบบที่แล้วยังไงร้อนเหมือนฮีเทลไซรุนมาใส่นะค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแหละต่อไปก็หายเองเพราะว่าในกามร้อนเนี่ยเองหมายถึงว่าเรากาลังเอาคัรักถึงที่มันไม่ดีในร่างกายหรือว่าไล่จุดเลเปงเว่าเราอาจจะมีการตึงย่าง เวลาทำสมาท่คมก็เล่าก็ตอนกเกิดการอย่างนี้จเพราะว่ามนาไปหายเองอ่ตอะกาอะไอีกอ่อนเนคุณพนมนุระนัอนีการรั้าอ่็ขอสาสามเกิดอาการเดินเป็นนะครับคือการเดินเนมเนี่ยราเดินร่างกาแล้วก็ภานาไปอ่า พ่โผลพิเพยแล้วก็เปิด right จิตที่มาถากแล้วก็มองไปที่ประมาณก็สองเมตรใช่ไหมฮะนี่ถ้าเราหลับตาเนี่ยเราจิตนะครับเป็นการเป็นการตั้งจิตเองตั้งจิตเพวยให้เาแล้วก็การเดินเนี่ยถ้าเราภาวนาแล้วก็ตั้งจิตแล้วก็เดินโดยเปิดจิตอยู่ที่เท้านี่จิตนะครับจิดการเดินทุกคนเนี่ย ยังไง่็เราจะต้องทจิตให้เราไวท่องคนยให้แรงทางหลงแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการเดินยนคนนีเราไม่ต้องการทำจิตให้มันลึกขึ้งทำสมาธิขึ้นเติมมันจะลักขนาดไหนการเดินยืคนเราต้องการคำามาธิเพิ่มเตินหรือรองความรู้ตัตวของเราไวให้มันจะ เราฟัูสกเลกสืลวไม่ใจในสิง้กาเแทน่ารที่ีวรืง่าการเรื่จกรน right. hey, so, ั้นจะ่ย่องทาองการบาร่ออะไกราเนต่่วรองทราาเไม่กจาเน่ยับองที่เาต้องกรงเาไม่กเราตองเราต้องบเราเรายพะอ่เกัเ่ากาเ่าไม่เาตก รือว่าผิดไปก็ล้กัราอกหนึ่งอนนะอินทพงศพรตะกินทองสิดทายแม่สจการแม่สจการผิดใครสายไม่ยากถเบียนถอมข้าพเข้าเลยที่ไม่ได้จัดการเี้ยในเร่งนี้นะคะแต่ถามหลวงพ่อข้าพเจ้าไม่ยากนะคะว่าพอร้องข้อที่หนึ่งคือว่าตามกฎแห่งชารแบบว่ง คนดีได้ดีคนเท่ได้เท่แต่มนุษยร้สในโลกนี้มีความเวียน่าตายเส๋อพรมจะสังขามาเป็นรังร้านสีและมีการสั่งสอนให้มนุษย์ทำกต่คมดีโต่ทำไมทำไมข้าถึงไม่ได้จริงจิตใจที่ให้เสด็จขึ้นมองกระช่างแม่และพะเจ้เห็นได้มีแต่ความเสื่อมค่ะไม่สนับสนเลยท่านำ อมางนั้นสองว่าคนทาความดีจะได้ดทํานทำมชื่อจะได้เชื่อรรมัอออนทาความดีไม่ฉันเป็นทางความดูได้ดีมีที่ไหนเป็นทาความช่ได้ดมีทมไปอไก็ว่ากันเอทูงวเนี่ยการทาความดีจะต้องเกความดีแล้วในทางความเชื่อย่างาาพระเชษฐภทก็ง เข okay. าเจ็บเขาชอนดินได้เหมือนกันแต่ว่าเราผู้ศึกษมีอดดินตไปคนอการจยังไงจะต้องพบความทุกข์จนไดอ้อย่างนี้ถือว่าต้องเชื่อการเชื่อถึ ง, ง, งถึงจำตอนนี้ถือว่าจบไปแล้วต่ว่าไงอีกค่ะสองนะคะบอกมนุษย์เราเกิดมาไม่เหมเือนใครอะไรจะจอยความเสียจะไม่เียจะถอปัญาดีก็ไม่ดี คุณรู้ว่าสุดใจสองมนุษย์งัหรือไม่สดองมนุษย์มันก็เหมือนกันนะแต่ว่ามีความแตกต่างกันในลักษณะเหมือนกันกับคพศมันก็เหมือนกันแต่่ามันต่างกันพบอนหนึ่งบอนดัาสองพบอนสามที่เกิดขึ้นมาอางนั้นนะเพราะบุคคลของมันเ ทำอะไรเองในอดีตชาติอันนี้ก็ตอบแทนสมบูรณ์คุณขอบคุณอาจารย์า